ลำดับนั้นพระราชามีพระดำริว่าสถานที่ทั้งสองเรายังไม่เคยเห็นเราจะดูทั้งสองแห่งจึงตรัสว่าแนมาตลีเทพสารถีท่านจงนำเราไปโดยทางทั้งสองคือทางไปที่อยู่ของผู้ทาบาปและทางไปที่อยู่ของผู้ทาบุญลาดับนั้นมาตลีเทพพบุตรทูลว่า ข้าพระองค์ไม่อาจจะแสดงสถานที่ทั้งสองในคราวเดียวกันจึงได้ทูลถามพระองค์เมื่อจะทูลถามจึงกล่าวคาถาว่าข้าแต่พระราชาผู้ประเสริฐผู้เป็นใหญ่ในทิศ้างหนึ่งไปที่อยู่ของผู้ทำบาปทางหนึ่งไปที่อยู่ของผู้ทำบุญจะโปรดให้ข้าพระองค์นำเสด็จไปทางไหนก่อนลำดับนั้นพระราชามีพระดาริว่า เราจากไปเทวโลกแน่แต่จากดูนรกโกรธจึงตรัสคาถาติดต่อกันไปว่าเราจะดูนรกอันเป็นที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้ทำบาปสถ า, านที่อยู่ของเหล่าสัตว์ผู้มีกรรมหยาิช้าและคติของเหล่าชนผู้ทุศีลก่อนบรรนาคําเหล่านั้นคําว่าผู้ทุศีลทุศีลานังได้แก่ของครรหัตทุศีล ของสมนทุศีลผู้ทาบาปด้วยอำนาจอากุศลกรร ม, มบทสิบคาว่าคติยาคติความว่าเราจะดูที่เกิดของคนทุศีลเหล่านั้นลำดับนั้นมาตาลีเทพสารถีได้แสดงแม่น้ำชื่อเวตาณีแด่พระเจ้าในมิราชกนระสาสดาเมื่อทรงประกาศเนื้อความนั้นจึงตรัสว่า มาตลีเทพสารถีได้สแสดงแม่น้ำเวตรณีซึ่งข้ามยากประกอบด้วยน้ำแสบเผ็ดร้อนเดือดพล่านเปรียบดังเปลวเพลิงแด่พระเจ้าเนมิราชบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเวตรณีเว ต, ร ณ, เวตรณีความว่าภิกษุทั้งหลายมาตลีเทพสารถีได้ฟังพระราชดำรัสแห่งพระเจ้าในมิราช จึงขับรถตรงไปนรกแสดงแม่นะ้าเวตาณีที่ตั้งขึ้นด้วยฤดูโดยกรรมปัจจัยก่อนนายนิรยาบาลทั้งหลายในนรกนั้นถือสัตว์ตราวุธมีดาบมีดโตมอนหอกและไม้ค้อนเป็นต้นอันลุกโผล่ประหารแทงโบยตีสัตว์นรกทั้งหลายสัตว์นรกเหล่านั้นทนต่อทุกขนั้นไม่ได้ก็ตกลงในเวตาณีนาที เวตรณีนาทีนั้นดาดาดไปด้วยเครือเลื้อยอันมีหนามประมาณเท่าหอกมีเพลิงลุกโผงข้างบนสัตว์นรกเหล่านั้นต้องอยู่ในเวตรณีนาทีนั้นหลายพันปีเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ในเพราะเถาวันมีหนามแหลมมีคมอันคมกริบมีเพลิงลุกโชตช่วงมีเหลาเหล็กลุกโผงประมาณเท่าลำตาลตั้งขึ้นภายใต้เถาวันเหล่านั้น สัตว์นรกทั้งหลายยังการให้ล่วงไปนานมากพลาดจากเถาวันตกลงที่ปลายเหลามีร่างกายถูกเหลาแทงไหมอยู่ในเหลานานดุดปลาที่เสียบไว้ในไม้แหลมย่างไฟเหลาทั้งหลายลุกเป็นไฟสัตว์นรกทั้งหลายก็ลุกเป็นไฟก็ภายใต้เหลาทั้งหลายมีใบบัวเลหล็กแหลมคมดุดมีดโกน ล, ลุกเป็นไฟอยู่หลังเน้ํา สัตว์นรกเหล่านั้นพลาดจากหลาวทั้งหลายตกลงในใบบัวเหล็กเสวยทุกขเวทนานานแต่นั้นสัตว์นรกเหล่านั้นก็ตกในน้ำแสบแม่น้ำก็ลุกเป็นไฟแม้สัตว์นรกทั้งหลายก็ลุกเป็นไฟแม้ควันก็ตั้งขึ้นก็พื้นแม่น้ำภายใต้น้ำดาดดัดไปด้วยเครื่องประหารอันคมกริบ สัตว์นรกเหล่านั้นจมลงในน้ำด้วยคิดว่าใต้น้ำจะเป็นเช่นไรหนอก็เป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่เพราะเครื่องประหารอันคมกริบสัตว์นรกเหล่านั้นไม่สามารถจะอดกลั้นทุกใหญ่นั้นก็ร่ำร้องน่ากลัวมากสัตว์นรกบางครั้งก็ไหลลอยไปตามกระแสบางครั้งก็ทวนกระแส ลำดับนั้นนายนิรยาบาลผู้อยู่ที่ฝั่งก็ซัดลูกศอนมีดโตโมอนหอกแทงสัตว์นรกเหล่านั้นดุดปลาสัตว์นรกเหล่านั้นถึงทุกขเวทนาก็ร้องกันลั่นลำดับนั้นนายนิรยาบาลก็เอาเบ็ดเหล็กที่ลุกเป็นไฟเกี่ยวสัตว์นรกเหล่านั้นตั้งขึ้นคร่ามาให้นอนบนแผ่นดินเหล็กที่ลุกเป็นไฟโชดช่วงยัดก้อนเหล็กที่ลุกแดงเข้าปาก พระเจ้าเนมิราชทอาพระเนตรเห็นเหล่าสัตว์ถูกทุกใหญ่เบียดเบียนในเวตาลนีนาทีก็สะดุ้งกลัวตรัสถามมาตลีเทพสารถีว่าสัตว์เหล่านี้ได้ทำบาปกรรมอะไรไว้มาตลีเทพสารถีได้ทูลถวายพยากรณให้ทรงทราบ พ, พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้นตรัสว่า พระเจ้าเนมิราชทอดพระเนตรเห็นชนซึ่งตกอยู่ในเวตาณีนาทีภาคซึ่งยากจะข้ามได้จึงตรัสกับมาตาลีเทพสารถีว่าแน่นายสารถีความกลัวมากปรากฏแก่เราเพราะเห็นสัตว์ตกอยู่ในแม่นะ้ำเวตรณีแน่มาตลีเราขอถามท่านสัตว์เหล่านี้ได้ทำบาปอะไรไว้จึงได้ตกในเวตรณีนาที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 บรรดาคำเหล่านั้นคําว่าปรากฏวินทติความว่าเราไม่มีอิสระแก่ตัวเป็นเหมือนมีความกลัวคําว่าเพราะเห็นทิสวาความว่าเห็นเหล่าสัตว์ตกไปอยู่คือเห็นสัตว์นรกเหล่านั้นตกแม่น้ำเวตรณีคําว่าทราบชานังความว่าภิกษุทั้งหลาย มาตาลีเทพสารถีนั้นรู้อยู่เองจึงได้ทูลบอกแด่พระเจ้าในมิราชผู้ไม่สงทราบคำว่าผู้ที่หากำลังมิได้ทุพเพลได้แก่เว้นจากกำลังร่างกายกำลังโภคะและกำลังอำนาจคำว่าผู้มีกำลังพภะวันโตได้แก่ประกอบด้วยกำลังเหล่านั้นคำว่าเบียดเบียนหิงเสนติ ได้แก่ทำให้ลำบากด้วยประหารด้วยฝ่ามือเป็นต้นคำว่าดากระทบโรเซนติได้แก่ดากระทบโดยประการต่างๆคำว่าทำภาษาเวตวาความว่าให้เกิดคือกระทา